พระมาโลกาทิปติสหมปติการัญชลีอัญชัวรังอัญญาจา ธ, ธาสันติธสตาปราชากาชาติาเอเสทุร ก, กรรมังอะรุตังิมังปัญชังอะต่อนี้ไปตั้งใจฟังนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรรังเมภวิสติขยะวยะธรรมมาสังขาระอัปปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาไปชมได้มาร่วมกัน มาเพื่อประชุมเพลิงแม่ชีเทพรุ่งเรืองบวชมากี่ปีเนีเ่ยบวชมาห้าพรรษาแล้วก็เป็นที่หลวงพ่อมาคคราก่อนครั้งก่อนก็เห็นว่าเป็นมะเร็งในตานี่แหละโอ้เห็นแล้วหลวงพ่อก็แนะนำไปทางศรีนักรินแต่หมอศรีนักรินก็คงจะ สุดวิสัยมือนกัรนะสุดวิสัยหมอเพราะอะไรเพราะมันเป็นอยู่ที่ลูกตามันก็ต้องใกล้สมองมันอยู่ในบนศีรษะมันก็เป็นการทรมานพอสมควรก็ะพึงมาจากไปวันนี้เป็นวันที่สี่จะเป็นวันประชุมเพลิงเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราคณะทาญาติโยมมีท่านในอําเภอท่านผู้กํากับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนผู้เยาวบ้านกำนันครูบาอาจารย์ ทั้งหลายมองมองดูแล้วก็ อ, อ, อบอุ่นในท้องถิ่นของพวกเราหลวงพ่อเองมาคขานี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับกนัศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วก็มาทำทุระทำคุณูปการให้กับสงฆ์แล้วก็ได้มาได้ถือโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ พอมาถึงพี่น้องประชาชนก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นวง์กล่าวสังเวทธนิยกถาคือกล่าวความสลดสังเวทใจพวกเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายหลวงพ่อจะยกเป็นพุทธภาสีว่ามรณะนางเมภวิสติมรณะนางไปว่าพวกเราทุกทุกท่านเกิดมาในโลกแล้วเกิดมาในโลกนี้แล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัย ต้องถึงจุดจบกันทุกคนแต่จะคิดหรือไม่คิดจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงพูดไว้ดีกว่าคิดไว้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงมรณะหรือมรณะพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากคนที่ทำความชั่วเสียหายมากมาย ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณงามความดีเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองจะถึงจุดจบไม่อยากจะคิดอีกต่างหากค่ะแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นต้นาศาสดาต้นพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าดูก่อนอาน o n เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งนท่านถามลูกศิษย์อุปธัมปฐากนะพระอานุกักรกาบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ระลึกถึงความตายประมาณวันละวันล ะ, นละร้อยครั้งพระเจ้าว่ขาดอานนุนเธ อ, อยังตั้งอยู่ในความประมาทเธอควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ถ้าหายใจไม่ออกแล้วก็ใช่ความตายมาถึงพวกเราทุกระยะในเมื่อระลึกถึงความตายแล้ว พวกท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะในสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีอันไหนคือดีบุญกุศลพวกท่านทั้งหลายจะประกอบแต่ความดีเพราะว่าชีวิตของเราพวกเราทั้งหลายน้อยนักเนะ่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านระลึกถึงไว้อยู่เสมอเพราะว่าไม่ได้เลือกใครต่อใครบางคนจะมาถึงมาเจอเข้ากับตนเอง เออบางทีก็เสียคู่เสียคนเสียศูญย์ไปก็มีเพราะไม่เคยคิดไว้ก่อนแต่ตามไม่จริงถ้าเราคิดไว้ก่อนนั่น่ะเออจะดีจะดีกว่าแต่หลวงพ่อเองได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนะในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านปรารบถึงนางปัตตายจาราอันนี้เป็นเป็นเครื่องที่ฟังดูแล้วสลดสลดใจนะเออสลดใจเออคือนางปัตตายจารานี่นะ เป็นลูกของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนะเป็นคนมีเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ว่ า, าลูกเศรษฐีท่านนี้น่พอเป็นสาวขึ้นม า, อาพอที่เป็นสาวจะแต่งงานแล้วก็มีคนใช้ในบ้านเป็นผู้ชาย เ, าเป็นหนุ่มขึ้นมามันคงจะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่ ดึกดำบรรที่เคยสังสมบัรมีกันมาขอก่อนเก่านั่นแหละคนนี่นะเออเวลามาวัดสู่วัดวดาศาสนาหลวงพ่อบอกว่าเวลาแม่บ้านชวนพ่อบ้านไปไปทำบุญทำทานไปไหว้พระสวดมนต์ไปตักบาตรไปทำบุญครูบาอาจารย์ท่านมานะทางพอบ้านท้อเดี๋ยวหมูชวนไปกินเลี้ยง ไปตีกอ๊อฟไปชนไก่ไปตกเบ็ดมีเยอะแยะไปหมดเลยเแม่บ้านก็มาทำบุญมากรมาฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเทนี้มันคนสองคนนะ่ะมันแปลกแตกต่างแยกทางกันโดยในไอ้คนที่มาทำบุญก็คือเป็นบุญคนที่ทำบาปนั่นก็คือเป็นบาปนั่นแหละ สอสามีภรรยาลูกเศรษฐีกับคนใช้ก็คงลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะแต่ตําราท่านกรมพระรีว่าแต่ว่าเนื้อหาสาระในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ากรคำชั่วจะทำซะเลยดีกว่าเพราะคำชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรคำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังท่านนี้นก็คงคงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นมาเกิดมาพบในชาตินี้ ไอ้ฝ่ายผู้หญิงเก็เกิดเป็นลูกเศษเรษฐีพวกเขาทาบุญทําทานมียมิตรการเสียสละแต่ผู้ชายที่คงจะเป็นแฟนเก่ามาเกิดมาเกิมาเป็นคนมาคนเป็นคนรับใช้เศรษฐีแต่พอบุปผาชาติกรำเก่าในอดีตชาตินั้ถึงจะห่างเหืินกันขนาดไหนถึงจะคนหนึ่งเป็นคนต่ําต้อยแต่คนหนึ่งเป็นเศรษฐีก็เถอะ แต่พอเห็นกันเข้าไปน่ยพอสายตาเจอกันท่านเนมันปิ้งเถอะ่คล้ายๆกับว่าหมดความอารัยตายอยากเลยคล้ายๆว่าเกิดความรักกิเลสความรักความสเสน่หายอมทุกอย่างเลยเอพราะด้สุดทางฝ่ายผู้หญิงนี่นก็เลยหาวิธีการ พาฝา่ายชายหนีฝ่ายฝ่ายชายคนหนีจากหนีจากพ่อแม่ถ้าอยู่กับบ้านไม่ได้กลัวเขาจะลงโทษเน่ยก็นหนีจากพ่อแม่ไปสองคนเออตลอดเปิดเิงตารางเ ป, งเปิงเปิด เ, เข้าป่าโรงพงไพรที่ไหนจะปลอดภัยไกลที่สุดน่ะอพอไปแล้ว ก, ก็ไปอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันต่อมากือตั้งคันผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็ตั้งคัน พอตั้งคันขึ้นมาแล้วก็พอคันแก่ขึ้นมาก็คิดถึงพ่อแม่เลยนั่นแนะ่ะเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาจึงระลึกถึงจึงระลึกถึงพ่อถึงแม่นะแต่เนี่ยพอคันแก่โอ้ท่าเราจะคลอดอยู่นี่เราจะคลอดยังไงบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้ตายเราต้องตายโรกเดียวนะคิดถึงพ่อถึงแม่นะแต่เนี่นผลไดสวดกอดพอท้องแก่ขึ้นมาเต็มเท่แล้วก็สาเบกับไป ทำทำมาหากินในป่าตอนเย็นก็กลับมาแต่ในพอแม่บ้านเพอแฟนของตัวเองเห็นว่าพ่อบ้านไม่อยู่ก็เลยบอกไปฝากบ้านไว้เอ้ยเวลาพ่อบ้านเอามาบอกเขาด้วยนะเอดิฉันดิฉันกลับไปไปบ้านไปหาพ่อแม่แล้วนะอพอว่าวนะเท่านั้นก็เอาของเท่าที่จะเอาไปได้เอ กระเตงไปตะภายไปแะ้วกับไปเลยแต่พอพ่อบ้านมาจากป่าไม่เห็นแม่บ้านไม่เห็นเมียเท่านั้นแต่โอ้โอยู่ไม่ติดวิ่งเลยเท่า่เออวิ่งตามเมี ย, อยพอวิ่งเข้าไปกันน่ะไปอยู่ป่าเข้าไปถึงป่าพอไปถึงก็เนี่ยพ่พอแม่บ้านก็คลอดพอดีเลยคลอดลูกในป่าเนะ่ยอยู่ในกลางทางเนะ่ยพอโคตรคลอดเสร็จแล้วก็ ไม่รู้จะกลับไปบ้านทําไมเธอเนี่เพราะมันคลอดแล้วเธนี่ก็เลยอุ้มลูกตัวแดงๆกลับมาหาที่พักเองมาหาบ้านอีกมาก็มาอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็ลูกคนที่ทูตคนคือแรกนะเนี่ยกำลังต่อแตกกําลังเป็นนั่นคนที่สองตั้งคันเองเอพอตั้งคันเอกทีนี้ก็ทอท้องแก่ขึ้นมาแล้วเธนี่ก็คิดถึงบ้านอีกอย่างเก่า เนอเพราะว่าคนถ้าหาว่ามีทุกข์เนอจะค่อยคิดถึงพ่อแม่นะคิดถึงอย่างลึกซึ้งอีกต่างหากถ้าว่าไม่มีไม่มีทุกข์เนอละลึกถึงไม่ละลึกถึงพ่อแม่นะมิจะสนุกเนอเล่นเล่องเบินเทิงไปเรื่อยสนุกสนานไปเรื่อยลอยลมไปเรื่อยแต่พอมีความทุกข์ขึ้นมาเานอละลึกถึงพ่อแม่อย่างนั้นกับพอท้องแก่อย่างที่ว่านะ ม, ามาเองโอ่งลูกมาเถอะเออคนนี้จากอย่างเก่านั่นแ่ะ พอมาถึงกลางทางผู้ พ, พอบผู้สามีเนี่ยก็แม่บ้านไม่อยู่อาารกูวิ่งอีกอย่างเก่าแล้วนะพอมาวิ่งเขาเนี่พอมาถึงมันค่ำลเลยตอนี้ยพอมาถึงกลางดงพอค่าฝนก็ตั้งเขาขึ้นมาฝนตอกอีกต่างหากเท่าไหแต่ทางพ่อบ้านเนี่ยทางผู้แฟนได้ก็เข้าไปหากิ่งไม้ไปเพื่อกิ่งไม้มาปูที่นั่ง มาปูที่ให้ให้ให้ลูกตัวเองตัวเล็กๆกับแม่บ้านนั่งใบไม้พอเข้าไปแล้วไปอยู่ใกล้จอมปวกงูเหา่างูจงอางเฮ้ยมันก็คงจะอยู่ในนั้นเลยมันกลางคืนไม่มีไฟฉายใช่ไหมตัวผมเทีย่เข้าไปงูจงอางก็เลยฉกเลยเ อ, อพอฉกเข้าไปแล้ยก่นสามีก็ตายแลยเขาฉกเข้าไปคนเนี้ยตายกระที่เลยท่นนี้ ไอผ้ผูกแฟนผู้ลูกผู้เมียเนี่ยกันออกลูกแล้วจะไหนพอออกลูกคนเดียวพอออกลูกเสร็จแล้วกว่านั้นมันกับเปื้อนเปิดแล้วเทะไปหมดแล้วจะไหนเทนี้ลูกชายกัน่นี่ะลูกคนหนึ่งก็อกอยู่ในอ้อมกอดอยู่คนหนึ่งก็อยู่ใ น, น, น, ใ, นในหน้าอกเลยอไปว่าคอมลูกทั้งสองคนทั้งคืนเลยฝนตกทั้งคืนอีกต่างหากเนะี่ยนั่นแหละความทุกข์ของคนมันขนาดนั้นแลน้วจะไหน พอวอดตกไม่มีลมไม่มีอะไรไม่ได้กลางพอพรุ่งนี้เช้ามากันเลยเอ๊ะทําไมเอพ่อบ้านหรือแฟนของเราเข้าไปหาเก่งไม้ออยู่ในแถบนี้ทําไมจึงไม่ออกมาพอเข้าไปที่ไหนได้ตัวเขียวไปหมดแล้วเอองูกัดตายฮะเนี่แหละคือแฟนกัดตายแท้ๆของมดอะไรตายอยากตัวเองก็ทุกพอแรงแท้เอย จากนั้นก็เห็นแฟนตายแล้วผมไม่รูจะทางทำยังไงก็เทงแบบนั้นได้แต่ลูกสองค น, นกระเตงลูกคนๆนะจะได้ อ, อกคนหนึ่งก็อุ้มเออพออุ้มมามาถึงแม่น้ำอาอเจรวดีเนะี่ยคือแม่น้ำกว้างตื้นนะแต่พอฝนมันตกอยู่ข้างบน น, ะน้ำก็กระเจิงมาเลยเออมันกว้างนะเแต่ทางเทนนี้ก็นาง ปัตตาจาราเนี่ยก่อเอถ้าเราจะเอาลูกไปทั้งสองคนถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราว่ายน้ําอุ้มลูกทั้งสองคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้อ่อคงจะเอาลูกคนหนึ่งไปก่อนถ้าหากว่าน้ํามันลึกเนี่ยเราก็จะได้เอาลูกคนหนึ่งเอ่อออกข้ามไปก่อนแล้วก็ไปวางไว้ที่นู่นแล้วอย่างค่อยกลับมาเอาลูก คนโตไว้ที่ข้างาไว้อีกข้างนี้นะแต่แรกก็บอกว่าลูกมันอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะเอาลูน้องไปไว้ทางนู้นก่อนทนะ่านี้นางป่าตาจารา ก, ก็เลยเอาลูกคนเล็กนะที่แดงแดงเนะพิ่งคลอดเมื่อคืนเนี่ยนะ่ะข้ามน้ําไปคนน้ำก็คงจะกว้างตื้นอย่างที่บ้านนะพอไปเสร็จแล้วก็เอาผ้าอาบน้ําผ้าขม้าผ้าอะไรที่ตือถือไปโดนวาง ไว้ในหาดทรายพอวางไว้ในหาดทรายเสร็จแล้วก็เอกลับมาเลยนะกลับมามาถึงกลางแม่น้ำนะํำเลยกลางแม่น้ํามันกว้างเนละยเยวตัวใหญ่ๆอยู่ข้างบนมันก็เห็นว่าเด็กตัวดแดงๆเนะี่ยดิ้นอยู่แนวแนวแน ว, แนวนะเออมันก็คงจะ ว, ว่าเป็นเหยือ่อหรือเป็นอะไรนะเออตอนมันก็บินโฉบลงมาจากท้องฟ้าอะไรอ่างเ้ย น, นะมันจะมักเอาเด็ก ตัวกําลังนอนดิ้นอยู่นั่นแหละาทางแม่ได้ก็อยู่กลางน้ำใช่ไปล่ะนางปตายาเจราอยู่กลางน้ำกระตอกเมืออย่างแรงเอาเอาเอาหลักษณะอย่างเงี้ยลนะ่ะเอเพื่อจะไล่เหยื่อนะพอตอบมือแถนี้ไอ้ลูกชายตัวอยู่ฝัง่งอยู่ฝั่งข้างนี้เนะมันก็คิดถึงแม่พ่อแรงใช่ไหมพ่อแม่หนีไปนะ เ, เหมือนกับแม่เรียกอผมอเหมือนกับแม่เรียกเรียกตัวเองให้ใ ห, ให้ลงไปหานะ เด็กนั้นก็วิ่งเลย ว, วิ่งลงไปจุ่มจุมจุ ม, จมลงไปก็จุ่มลงไปในน้ําอีกอหายแงยบอีกมันน้ามันลึกมันท่วมหัวหเด็กใช่ไหมละ่ะเด็กมันไม่เคยน้ําน่ะเพราะในสุดนางปัตตาจาราลูกท่านนี้นกับเ ย, ยว่เอาไปกินลูกท่านนี้นก็ตกน้ำํำพอออกมาก็มงมหาลูกคนนี้นกับไม่เจออีกเทไง น, น, นั่นแหละทเทไงความทุกข์ของนางปัตตาจาราเนี่ยขนาดไหน พวกเราคิดดูสิวาเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยมันขนาดนั้นแหละท่นีพอนางปัะจายจาราทานีก็ผัวก็ตายลูกสองคนก็ตายเออท่านี้ก็ตะเลิดเปิดเปิงเข้าไปใน เ, เดินไปตามลำพังเยกระเสกระิงไปลักษณะอย่างนั้นแหละอพอไปไปเห็นคนเขาออกมาจากกรุงสาวัตถเีเขามีเกวียน เ, ยเขาไป ทำมาค้าขายเนะ่ยเขาก็ขับเกวียนออกมาพ่อค้าเกวียนเขามาหลายๆคนนางปติยาจราก็ถามเขาว่าพ่อค้าทั้งหลายให้พวกเธอเข้าไปในกรุงสาวัตถีนะเนี่อชื่อบ้านชื่อน้้นต่บลโน้ น, น, น, นรู้จักไหมคือเต้าโดยมากพ่อค้าขายย่อยเนะี่ยคือไปส่งสินค้าให้กับเศรษฐี พวกอยู่ในเมืองเขาจะรับซื้อสินค้าต่า ง, างๆพวกพ่อค้าย่อยเนี่ยพ่อค้าปานนอกเนี่ยก็บอกโอ้ยรู้เจ้าเป็นอะไรกับเขาล่ะเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมฝนตกอย่างแรงเนะ่ะมันลมขนาดหนักเลยเมืม่อเช้านี่ยทราบข่าวว่าเนี่อบ้านถล่มทับตายเศรษฐีตายทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกชายด้วยอยุดที่บ้าน เท่านั้นแหละนางปัจจาจะละชื่ออย่างนั้นใช่ชื่ออย่างนั้นละ่ะพอเขาพูดให้ฟังท่านนางเนี่ยเป็นหมดสติเลยเป็นบ้าเลยนะคนเราเนะี่ยถ้าถ้าเสียใจบ้างมากก็เป็นบ้าเหมือนกันนะเออเป็นบ้าเลยแต่เนเออพอเป็นบ้าแล้วเนี่ยไม่ดูแลเสื้อผ้าของตัวเองก็จะกระเจิงกรนะแก้ผ้าอะไรเต็มวิ่งเหมือนกันนะไม่รู้วิ่งไปที่ไหนละ่ะวิ่งกระเสซิเสงเหมือนกันะ เออตอนนี้เพ่งเข้าไปเกิดคงจะเป็นบุพกรรมกรรมดีของนางฮนะเออพอไปถึงหน้าวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารเนะ่ยที่พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่อย่างพวกเรานั่งอยู่เดียวนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพ่อนางาก็เพ่งเข้าไปเออไม่ได้อายใครไม่มีเสื้อผ้าเออพวกนั่งฟังเทศอยู่เท่านั้นก็เห็นผีบ้าเข้ามาใช่ไหมละ่ะแก่ผ้าเข้ามา เออมากเมื่อจะเข้ามาท่าทางที่อย่างนี้ไม่ใช่เไม่ใช่เมื่จะเข้ามาพวกเนีพวกนั่งฟังเทศนะเอเ อ, เ, อ, เ, อเขาตะเพิดมาไล่แต่พตระพระองค์นั่งจมบนธรรมมาตรนั่งอยู่บนอาสนะที่แสดงธรรมบอกเอ้ยพวกท่านทั้งหลายอย่าไปไล่เขานั่นแหละคือสาวิกาของเราเอาเข้ามาเข้ามาปล่อยให้เข้ามาพระองค์บอกว่าปล่อยให้เขาเข้ามา อันนั้นก็คือสาวิกาของเร า, เาจะไปไล่เข า, เายศพอนางก็เข้าม า, เ, าเดินดุดดูเข้ามาอุบาสกคนหนึ่งเห็นเขาไม่มีเสือ้อไม่มีเสื้อผ้าใชอา่อุบาสกคนนั้นคิดได้เลยก็เอาผ้าสบัยของตนเองเนี่ยโยนให้เลยโยนให้นางพอนา ง, งนันก็พระโตองบอกว่าน้องหญิงเธอจงนั่ง จงมีสติพระพุทธเจ้าตัดนะน้องหญิงเธอจงเป็นผู้มีสตินางละลึกท่ได้ทันทีเลยนั่งบลงไปเลยมีสติเหมือนกันทนะ่านพอมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาอุบาสกนี่นก็โยนผ้าคับมาให้เป็นเป็นผ้าหนุ่ อ, อจากนั้นอุบาสกอีกคนหนึ่งก็เลยโยนผ้าอีกเป็นผ้าสบาย เ, เป็นผ้าสบายได้ไดทำผ้านุ่งผ้าสบาย เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์ ว, ว่าเธอเป็นอะไรนางป ต, ตาจาราบอกหอมฉันเป็นอย่างงี้เอ้ยไม่ต้องพูดถึงพระองค์บอกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันผ่านไปแล้วเป็นบทเรียนเท่านั้นเองต้องปัจจุบันมีคุณค่าอนาคตก็ไม่ต้องคิดถึงอนาคตยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้นั่งให้ตั้งใจฟัง เดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วจะพูดเรื่องเหตุผลให้ฟังนางปต a จาราเป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่แล้วเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วในอดีตนะออนางก็ประนั่งประนมมือฟังพระพุทโธพระพุทโก็ได้แสดงธรรมแนวอริยสัจ ส, สีทุกข์สมุทัยนิโรธมักคนเราเกิดมาเนี่ยจะต้องไม่พบแะรก็ต้องชาติหนึ่งต้องพบต้องเจออย่างนี้แต่ในเธอเจอหนักเกินไป อแต่คนบางคนก็เจอมากเจอน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นอย่ามมาเกิดอันดีที่สุดทําชําระใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มา เ, าเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเป็นหนนทางที่ดีที่สุดพระองค์แสดงธรรมพอแสดงธรรมจบแล้วนางได้สําเร็จพระโสดาบันเพราะเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่แล้วนะพอจากนั้นพระองค์นางก็บอกว่าหม่อมฉันอยากจะบวช พระองค์เออไปไปหากลุ่มภิกษุณีไปก็เลยส่งไปหานักเป็นนักพรตนักบวชทั้งฝ่ายเป็นภิกษุณีสมัยนั้นมีทั้งภิกษุภิกษุนั่นะนะคือพระที่เป็นผู้ชายบวชว่าภิกษุแต่ภิกษุณีนะ่ะเป็นฝ่ายผู้หญิงบวชเป็นใส่ชุดสีเหลืองเหมือนกันแต่เป็นสํำนับเป็นภิกษุณีไปเธอไปบวชกับกลุ่มภิกษุณีนะนี่แหละนางปตาจาราก็เลยไปบวชในกลุ่มภิกษุณี จากนั้นมาพอบวชนานเข้ามานานก็บมเพ็ญเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจผู้เป็นผู้เห็นโทษในวัฏฏะสงสารวันหนึ่งนางปติยาลาไปตักน้ำคือประเทศอินเดี ย, เ, ยเขาจะไม่มีกระป๋องน้ำแบบหาบมานะเขาจะมีกมีมคล้ายๆเป็นหม้อน้ำเทินเทินที่หัวใส่ที่บาลักษณะอย่างนั้นนะ ตอนนนางปัตตาจราเนี่ยครไปตักน้ําพ่อไปตักน้ํามาแล้วก็ใส่เทินที่เบิ่บนศีรษะนล้มัก็มาวางหลงพอวางเสร็จแล้วนางก็ตักน้ําล้างเท้าก่อนที่จะขึ้นกุฏิตัวเองเอนางเอาน้ําล้างเท้าพอล้างเท้าน้ําก็ไหลไปน้อยหนึ่งมันก็แห้งพราะดินมันแห้งใช่ไหม พอนางก็ตักน้ําราดอีกที่สองอีกมันก็ไหลได้ยาวกว่ากว่ากว่าครั้งก่อนพอครั้งที่สานางเอาน้ําตักราดเท้าตัวเองอีกไหลไปได้กว้างยาวกว่าออสองครั้งนั้นพอน้ำํำครั้งแรกมันมันดินแห้งใช่ไหมมันก็น้ำกอไหลค่อยเ อ, อมันก็ซึมซับครั้อที่สองซึมซับได้ไกลกว่าครั้งที่สามซึมซับได้ยาวกว่า พ่อนางเห็นน้ำที่มาไหลซึมซับที่น้ำล้างเท้านางก็ระลึกถึงโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยเด็กก็ตายพอเกิดมาแล้วก็ตายก็มีเหมือนกันเรานะเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยออพอลงไปกับ น, น้ำก็ซึมซับไปแล้วก็น้ำเราล้ะอีกครั้งที่สองซึมซับไกลไกลกว่ายาวกว่าพอครั้งที่สามเราซึมซับไกลไกลกว่ายาวกว่า คนจะจะเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเกิดมาแล้วหนุ่ม เ, เด็กก็ตายกลางคนก็ตายาคนเท่าแก่ชราก็ตายแต่ถึงยังไงต้องตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายจากนั้นนางก็เลยเห็นอเน จ, จังทุกข์ขังอนาตาเห็นความตายเกิดความเบื่อหน่ายใคร จิตใจของนางก็เลยหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในขณะที่น้ําล้างเท้าออพอจากนั้นนางก็ได้เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายเป็นผู้ดารงในศีลและวินยัยเป็นผู้แข่งขลัดในศีลและวินยัยเป็นผู้แตกฉานในหลักพระวินยัยนี่แหละอันนี้ก็คือ ประวัติของนางปัตตาจาลาที่มาในพระไตรปิฎกให้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าขึ้นจะความทุกข์ยังไงที่เราจะพัดภาคอยากใครก็าตามถ้ามาพิจารณาถึงนางปัตตาจาลาที่ได้รับความทุกข์ในการเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกที่ท่านเด้ตรัสได้กล่าวเอาไว้แล้วโอ้เป็นความทุกข์สุดๆเอเอจนถึงกับตัวเองเสียศูนย์เป็นบ้านี่แหละ เพาะนั้นด้หลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะท่านคือว่าอย่ามาเกิดดีที่สุดจะทำยังไงจึงไม่มาเกิดเนี่ยนี่พราะพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพ น, เนท่านนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตอนหัวค่าท่านได้ปุบเพนิวาสารวจติยานพอถึงเที่ยงคืนท่านนั่งภาวนาได้จุดตูปปตาตญาณ พอถึงจวนสว่างท่านได้ว่าใจดวงนี้มาจากไหนที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีอะไรทําให้จิตใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสกิเลสอะไรราคะโทสะโมหะอยู่ในใจิตใจพระพุทธองค์จึงใช้ต่ปะธรรมคือศินสมาธิปัญญากรรมจัดกิเลสภายในพระไทยของพระองค์จนพระไทยใจของพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกับ มเมล็ดข้าวมเมล็ดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมมันจึงงอกเงยมันเพราะอะไรเอท่านบเพราะมันมีเปลือกท่านก็กระทอเปลือก <c oughs> มันออกซะในเมื่อกระทอกเปลือกออกแล้วเอาไปนึ่งเอพอนึ่งเสร็จแล้วเอ่อออกไปปลูกที่ข้าวเม็ดนั้นเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> มเมล็ดข้าวเม็ดนั้นะมันหมดหมดเชือ้อหมดยางเออหมดที่มันจะเกิดอันนี้ก็เหมือนกัน ใจของเราถ้ามีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่จะต้องเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้ตปรธรรมคือศินสมาธิปัญญากำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจใจของท่านจึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกถึงท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ในขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยง เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คือเนี่ยว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติอันนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสาธารณประโยชน์อันนี้ประโยชน์ท่านนี่แหละให้ทั้งสองอย่างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิด อันนคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือนหกเป็นที่กุศินารานพระองค์ได้สั่งเสียภาพภิกษุสงฆ์สั่งภาพภิกษุสงฆ์ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสอะไรอีกเลยจากนั้นทําการปรินิพานเนี่แหละพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้สํำนึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีและก็พร้อมกันก็ยังประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องและก็ประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมนี่แหละคือพัดทรรมคำสอนของพุทธะวันนี้ได้กล่าวสังเวชนิยคถาให้กับคณะทาญ า, า, าิโยมทั้งหลายเพืเ่อเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวความคิด